ได้ฟังเรื่องราวนะของอผู้หญิงคนหนึ่งนะที่ประเทศอเมริกานะน่าสนใจทีเดียวเธอเล่าว่าวันหนึ่งก็กำลังกินอาหารอยู่ในร้านอาหารก็มีชายไร้บ้านนะหรือบางทีเราก็เรียกภาษาชาวบ้านคนจอนจัดนะเขาก็เข้ามาในร้าน แล้วก็สั่งขนมปังสั่งอาหารแต่ว่าเขามีเงินเพียงแค่เหรียญเดียวนะเหรียญเดียวก็ประมาณสามสิบบาทเมืองไทยนี่สามสิบาทก็กินได้อิ่มหนึ่งนะซื้ออาหารได้หนึ่งอิ่มแต่ว่าที่เมืองนอกซื้ออาหารได้น้อยมากแล้วก็อาหารที่เขาสั่งมันก็ไม่พอสําหรับเงินหนึ่งเหรียญผู้หญิงคนนี้นะ เธอชื่อเคซี่ก็เลย อ, ออกเงินเพิ่มให้แล้วก็ชวนชายจรนจัดเนี่ยนะมากินอาหารด้วยกันบนโต๊ะชายคนนั้นก็แปลกใจนะแต่ว่าก็ยินดีที่จะมาร่วมกินอาหารร่วมโต๊ะกับผู้หญิงคนนี้คุยไป ก็เลยได้รู้ว่าเขาเนี่ยมีความทุกข์มากเขบอกว่าเนี่ยใครๆก็รังเกียจเหยียดหยามเขาเพราะเห็นว่าเขาเป็นคนจรจัดนะเขาเไปไหนก็มีคนแต่รังเกียจนะเพราะเห็นว่ายากจนเนื้อตัวสกปรกมอมแมมเขบอกเนี่ยเขาเกลียดยาเสพติดนะแต่ว่าสุดท้ายก็ติดยา อันนี้ก็คงเป็นเหตุผลที่ทำให้หลายคนเนี่ยไม่อยากจะเข้าใกล้ เ, ลเ็เพราะว่าโทมเหลือเกินเขาบอกว่าพ่อแม่พ่อเนี่ยทิ้งเขาไว้แต่เล็ก mm hmm. เขาเองก็อยากจะทำความดีให้แม่ภูมิใจแต่ก็ทำไม่ได้แล้วพ่อแม่ก็ป่วยตายเป็นมะเร็งช่วยเขานะก็ไม่มีทางออกแล้วก็อยู่ไปวันๆหนึ่งนั่นแหละ นะอันนี้กเ็เป็นเรื่องราวที่เขาเล่าให้นะผู้หญิงที่ชื่อเคเคซีที่ฟังก็คุยกันอยู่นานนะแล้วก็พอจะเลิกกันนะผู้ชายคนนี้ก็เอาเศษกระดาษมาแล้วก็มาเขียนข้อความประมาณสี่ห้าประโยคแล้วก็ขยำขยำแล้วก็ ยื่นให้เธอนะแล้วเขาก็เดินจากไปเคซี่เขาก็เอากระดาษเศษกระดาษนั้นเปิดดูคลี่ดูว่าชายคนนั้นเขียนว่าอะไรก็อบอกว่าวันนี้ผมคิดจะฆ่าตัวตายนะแต่ว่าเป็นเพราะคุณเนี่ยทำให้ผมเปลี่ยนความคิดนะ คุณทำให้ผมอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปนะคุณเป็นคนที่งดงามมากนะโอเคสี่ฟังแล้วก็ก็นึกไม่ถึงนะว่าเพียงแค่น้ำใจเล็กๆในน้อยที่เขาให้นะกับผู้ชายคนนี้เนี่ยมันสามารถทำให้เขาเปลี่ยนใจไม่ค่าตัวตายได้จะเรียกว่าความเมตตากรุณาของเธอเนี่ยแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยมันก็สามารถจะ ดึงเขาออกจากปรากแห่งนรกได้นะหรือออกจากปรากแห่งความทุกข์ได้คนเราเนี่ยเวลามีความทุกข์มากเนี่ยนะบางครั้งก็คิดถึงการฆ่าตัวตายแต่คนที่มีความทุกข์ <c oughs> จิตใจเขาก็อ่อนไหวนะถ้ามีใครสักคนเนี่ยมีน้ำใจกับเขานะมีความเมตตากรุณาเขาหรือว่า ใส่ใจเขาเนี่ยนะมันก็สามารถทำให้เขาเปลี่ยนความคิดได้มันสามารถที่จะชุดเขาลกนะออกจากนรกขึ้นมาได้ถึงแม้จะเพียงชั่วขณะก็ตามนนเงินที่เขาเงินที่เคซี่ช่วยให้กับผู้ชายคนนี้ก็ไม่มากนะอาจจะสามสี่ห้าเหรียญ น, นะแต่ว่ามันสามารถจะช่วยชีวิตของคนคนหนึ่งไว้ได้ อันนี้เป็นอั น, นิี่สอ์ของความเมตตากรุณามีอีกลายหนึ่งนะก็เป็นช่างทาผมอันนี้เป็นผู้ชายนะชื่อเดวิดเนะอันนี้ ก, ก็เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นมาหลายปีแล้ววันหนึ่งก็มีลูกค้าที่มาหาเขาเป็นประจำเดือนละครั้งเนี่ยก็โทรศัพท์บอกว่าเนี่ยเย็นนี้นะมีงานสำคัญ ก็อยากจะมาทำผมที่ร้านของเขาพอจะหาเวลาว่างได้ไหม <c oughs> ผู้ชายคนนี้ก็มีงานเยอะนะมีแขกเยอะนะแต่ว่าเขาก็พยายามหาหาเวลานะยอมให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยมารัดคิวประมาณตอนบ่ายๆเธอก็า <c oughs> า ม, มาอายุก็สักสี่สิบห้าสิบได้นะแต่งตัวดีเดียวนะเพราะเธอตันะ้งใจว่านะมันมี งานสำคัญเนี่ยตอนค่ำนี่แหละพอเธอมาถึงเขาก็ทำผมให้เธอเนะเขาก็ทำด้วยความตั้งใจพูดคุยกับเธออย่างเป็นกันเองเนะด้วยความเป็นมิตรเวลาสัมผัสผมเลือนผมก็สัมผัสอย่างอ่อนโยนนะบางทีก็พูดนะ ชวนให้หัวเราะแล้วก็ก่อนจะทำผมเสร็จก็บอกว่าเนี่ยเธอดูสวยนะวันนี้เธอสวยมากเลยเสร็จแล้วก็พอลูกค้าคนนี้จ่ายเงินให้นะก็ล่ำลากันนะด้วยรอยยิ้มสองวันต่อมานะเดวิดช่างทำผมเนี่ย ก็ได้จดหมายนะจากพยุงคนนี้ในจดหมายนี่ก็เขียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ยนะงานสำคัญที่ฉันจะไปร่วมเนี่ยก็คืองานศพของฉันนะฉันตั้งใจว่าจะฆ่าตัวตายแล้วก็ก่อนจะฆ่าตัวตายก็อยากจะแต่งตัวให้ดูดีที่สุดนะ mm hmm. ก็เลยมาทำผมที่ร้านของคุณแต่ว่าความ มีน้ำใจของคุณนะความอ่อนโยนของคุณเนี่ยมมันทำให้ฉันรู้สึกว่าชีวิตนี้ยังมีค่าที่ยังคู่ควรากับการยังควรที่จะยังอยู่ต่อไปนะนะชีวิตนี้มันยังมีค่าอยู่นะฉันก็เลยเปลี่ยนใจไม่ฆ่าตัวตายนะแล้วก็อยากจะขอบคุณนะที่คุณได้ทำสิ่งดีๆให้กับฉันนะ ช่างทำผมคนนี้ก็ทั้งงงแล้วก็ทั้งประทับใจนะจริงๆเขาก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะก็เพียงแต่ทอย่างที่เขาทำทุกวันแต่ว่าช่างทำผมคนนี้เป็นคนที่เวลาทำอะไรเนี่ยเขาก็ทำด้วยความตั้งใจเวลาทำผมกับลูกค้าก็ก็มีสมาธินะอยู่กับลูกค้าจะเรียกว่ามีสติด้วยก็ได้นะ ก็เรียกว่าใจอยู่กับลูกค้าเต็มร้อยเลยนะแล้วก็ไอ้ใจที่เขามีให้กับลูกค้าก็ทำให้เขาเนี่ยมีความอ่อนโยนนะจริงๆริสิ่งที่เขาทำก็ไม่ได้มากนะแต่ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเต็มไปด้วยใจที่มีคุณภาพเป็นกุศลมีทั้งความใส่ใจมีทั้งน้ำใจแล้วก็คาพูดที่ไพเราะคาพูดที่หวานนเรียกว่าปิยวาจา ไอ้คำพูดนะที่ดีๆอย่างเงี้ยให้กำลังใจนะแม้ก็รวมทั้งที่ชมว่าเธอสวยเนี่ยมันก็ทําให้เธอมีความสุขนะคนเราเวลาฆ่าตัวตายมันมีความทุกข์ทั้งนั้นแหละนะเวลาจะคิดฆ่าตัวตายเนี่ยความทุกข์มันเต็มหัวใจแต่เมื่อได้ก็ตามที่มีความสุขนะไอ้ความคิดที่จะฆ่าตัวตายก็หายไปและที่ผู้หญิงคนนี้เขามีความสุขก็เพราะว่าได้รับสิ่งดีๆนะจากช่งางทําผมทั้งสัมผัสที่อ่อนโยน ทั้งคําพูดที่งดงามนะเป็นปิยวาจาให้กําลังใจแต่ทั้งหมดนี่มันเกิดขึ้นไม่ได้นะถ้าเกิดว่าช่างทํามคนนั้นเนี่ยเขาไม่มีใจให้กับคนไข้ไอ้ไม่มีใจให้กับลูกค้าแล้วก็ไม่มีสติ ก, กับสิ่งที่เขาทำสองเรื่องที่พูดมาเนี่นะมันก็เป็นเรื่องที่ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆนะแต่ว่ามันมันมีพลังมากเลยนะ มันสามารถที่จะช่วยชีวิตของคนสองคนไว้ไดนะ้มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะสำหรับคนทําเนี่ยอาจจะรู้สึกเล็กน้อยแต่คนที่ได้รับนี่เขารู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่มากนะสามารถที่จะเปลี่ยนใจนะไม่ฆ่าตัวตายได้นี่เราฟังแล้วนี่ก็ให้เราลึกนะว่าความเมตตากรุณาเนี่ย แม้จะเพียงเล็กน้อยนี่แต่ว่ามันมีอนุภาพมากและสิ่งที่เคซี่ทำเนี่ยผู้หญิงคนที่ช่วยซื้ออาหารให้คนยากไร้นี่อันนี้ถ้าถ้าพูดแบบพวกคือเป็นการทาบุญนะเวลาเราพูดถึงการทาบุญเราก็นึกแต่ ว, ว่าเออต้องทาบุญที่วัดทาบุญกับพระที่จริงการให้กับคนยากคนจนนี่มันก็มีอ น, นิสงส์มากนะอย่าไปคิดว่า ถวายพระเท่านั้นถึงจะได้บุญได้กุศลหรือมีอ น, นิสงฆ์มากนะการช่วยเหลือคนยากคนจนนะมันก็มีอ น, นิสงฆ์บางทีเราไม่รู้หรอกนะว่าสิ่งที่เราช่วยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจหรือว่าเปลี่ยนชีวิตเขาแค่ไหนนะแต่ว่ามันสามารถจะทำได้นะเวลาทำบุญเนี่ยก็ก็อย่าคิดแต่การทำบุญกับพระหรือทาบุญที่วัดนะ การช่วยเหลือคนยากคนจนคนชราคนที่ตกทุกข์ได้ยากถึงแม้เขาจะไม่ใช่คนไทยเป็นกะเหรี่ยงเป็นพ่อมาเป็นลาวหรือแม้แต่เป็นโลฮิงญาเนี่ยนะชาวพุทธเราก็ต้องมีน้ำใจควรจะมีน้ำใจให้กับคนเหล่านั้นและการช่วยของเขาเนี่ยโดยเฉพาะเวลาเขาตกทุกข์ได้ยากพระทินาคาทิอยเนี่ยเพียงแค่ให้น้ำหนึ่งแก้วให้อาหารหนึ่งมเมอร์โอมันสามารถจะเปลี่ยนช่วยเขาได้เลย เวลามีคนยากคนจนนะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากเราหรือว่าบางทีก็ไม่ได้ขอเราเขาเพียงแต่เราเห็นเนี่ยก็อย่าลืมยื่นมือช่วยเขาจริงอยู่นะมันก็มีคนบางประเภทบางกลุ่มนะที่เป็นผู้มิจฉาชีพนะแกล้งทําเป็นคนยากจนนะมาขอเงินจากเราบอกว่าไม่ได้กินข้าวเลยมาสองวันแล้วหรือบางทีก็บอกว่าพ่อป่วยลูกป่วยนะลูกก็ยังเล็ก หลายคนก็ไม่กล้าให้นะเพราะกลัวถูกหลอกนะแต่ตามาว่านะถึงแม้ว่าในเมื่อเราไม่แน่ใจว่าเขาจะหลอกเราหรือเปล่านะให้ไปเถอะพอสมมติว่าถ้าเขาหลอกเรานะเราก็แค่เสียเงินแค่หบาทสิบาทแต่ถ้าเกิดเขาทุกข์จริงนะไอห้าบาทสิบาทของเรานี่แหละสามารถจะช่วยชีวิตเขาได้นะอาจสามารถจะช่วยชีวิตลูกของเขาได้ด้วยก็ได้ อย่างเคซี่เนี่ยนะเขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะสองสามเรียนสี่ห้าเหรียนแล้วก็ให้เวลาแต่ว่ามันสามารถช่วยช่วยตเขาได้คิดดูก็คุ้มนะเวลาเราไม่แน่ใจว่าคนที่มาของเงินเรานี่จนจริงหรือเปล่าเนี่ยถ้าลองคิดว่าเออถ้าเขาจนสิ่งที่เราช่วยเขานี่มันสามารถจะส่งผลมากมายนะกับชีวิตเขา แต่สมมุติว่าเขาหลอกเรานะเราก็แค่เสียเงิน5้าบาทสิบบาทหรือเสียเงินยี่สิบสาสิบาทนะสำหรับเราแล้วยี่สบยี่สบสาสิบาทนี้ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยนะแต่ถ้าเก้าเกิดเขาเขายากจนจ ร, จริงเขามีความทุกข์จริงโอ้มันสามารถช่วยช่วยเขาได้ทีเดียวคิดแบบนี้แล้วเนี่ยนะมันก็น่าให้นะก็คือว่าความเสี่ยงมันมีแต่ว่าผลหรืออนิสงส์นี่มันเยอะกว่า อันนี้ส่วนเรื่องที่สองเนี่ยนนที่เล่ามาเนี่ยนะมันก็ชื่อเห็นว่าคนเราทำอะไรนะทำด้วยใจรักทำด้วยใจที่มีเมตตานะีทำด้วยความใส่ใจเนี่ยนะแม้จะเป็นหน้าที่เป็นอาชีพของตัวนะแต่ว่ามันก็สามารถจะช่วยชีวิตหรือเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราได้อันนี้คืออ น, นิสงของนะความดีอ น, นิสงของเมตตาอ น, นิสงของการมีสติ ก็พยายามรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้นะในในใจเราแล้วก็ในการกระทาของเราอาแล้วก็เตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังตุมหังคอยตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วพิพาเมวัสมิชาโตจงสำเร็จโดยชาพานันสาเพผูเรนตุสังกับปาขอความดามรืิท้งพวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธา เหมือนพระจันนายวันเทมณีโชติราโซยานาเหมือนแกวมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิจโยวีวาจันตุความจันายทั้ง่วงจองวามราบายสัพพารโควินาสตุโรคทั้งบวงของท่านจงหามาเตผวัดวันตรายโอันตรายามีแก่ท่านสุขีธีขายุ่โกขาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาภิวนานนสิลิสานิจังปจายโนจัตตารอดามาวันอายุวันโนสุขังภะละธรรมสี่ประการคืออายุวันณาสุขะภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกระมีปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนีิภาวาตูสาพะมังคะละขอสาพะมงค์จงมีแก่ตาราขันตูสาพรเท ว, วตา ขอหล่าวเทวดาตั้งวงจงรักษาดา่าสาวพาพุทานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้สาสัวพาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระตาสาวพาสังขานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระโสสาวพาโสธิพวันณตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมือ่เอเิอ